และเป็นธรรมพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากประโยชน์ของการฟังธรรมเนี่ยมีหลายข้อหลายอย่างในสัปดาห์วันนี้นี่เราจะ ชี้เห็นว่าประโยชน์ของการฟังธรรมเนี่ยเป็นการสำรวจตัวเองเป็นเวลาส่วนตัวจริงๆมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองได้ดูตัวเองการได้อยู่กับตัวเองหรือดูตัวเองนั้นเท่ากับว่าเราได้ทบทวนชีวิตของเราสิ่งใดก็ตามที่ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในขณะที่เรากําลังทบทวนตัวเองนั้นเนี่ยเราก็จะรู้จักวิธีการ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 เป็นการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจเพราะการที่เรามาทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองนี่แหละอย่างน้อยเราก็จะเริ่มเข้าใจชีวิตของเราหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราว่าเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไรสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยเราสังเกตดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างที่มันได้ดังใจปรารถนาเราสิ่งต่างๆทั้งลายทั้งปวงรวมทั้ง ตัวเราด้วยไม่มีอะไรได้อย่างใจเราเลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยก็ทั้งนั้นอย่างเช่นว่าความพัดพลากความสูญเสียความเจ็บไข้ได้ป่วยสามีเราภรรยาเราลูกหลานของเราความสุขความทุกข์ดีชั่วถูกปิดอะไรต่างๆเนี่ย เราควบคุมอะไรได้ไม่มากควบคุมได้ชั่วคร้าวเป็นของชั่วคล้าวสำหรับชีวิตเราทั้งนั้นไม่ว่าเราจะพยายามแล้วจะพยายามควบคุมปรับปรุงดัดแปลงเพื่อได้อย่างใจเรามันก็ไม่ได้จิตใจเราคิดสักทีก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคร้าวทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกของเรามากยิ่งขึ้นเราจะได้รู้เป้าหมายของการใช้ชีวิต แล้วก็วิธีการต่างๆที่จะดาเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยให้เป็นทุกน้อยที่สุดถ้าเราไม่เข้าใจเป้าหมายของชีวิตและ ว, วิธีการดาเนินชีวิตแล้วก็เราจะเป็นทุกข์มากความสุขก็จะไม่เกิดขึ้น่อยนางไรก็ตามเราจะเข้าใจชีวิตเราได้นั้นเราก็กลับมาดูชีวิตของเรามาดูตัวเราให้มากยิ่งดูสิ่งภายนอกเนี่เราก็หลงลืมตัวเรานะ ลืมกายลืมใจเรามันก็ออกนอกตัวไปทุกทีสิ่ง่อยูภายนอกเนี่ก็บอกแล้วมันคือนอกนอกนอกถ้าดูตัวเราเนี่ยจะเข้าสู่ชีวิตจิตใจของเราเลยถึงจิตถึงใจเรานลจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นดูตัวเราแล้วทุกจะน้อยลงถ้าดูข้างนอกเนี่ยทุกจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นดูตัวเราความสุขจะมากขึ้นถ้าดูข้างนอกความสุข จะน้อยลงไม่ได้ปฏิเสธให้ดูข้างนอกนะเรามองข้างนอกมองได้แต่ให้น้อยหน่อยแต่มองตัวเราให้มากหน่อยเราจะได้ไม่ไปกระทบกับสิ่งภายนอกมากนักการจะดูตัวเราได้นั้นต้องอาศัยสติสติในเป็นเครื่องมือดูชีวิตจิตใจของเราก็คือการเจริญสติในแต่ละวันแต่ละขณะแต่ละนาทีวินาทีนี่และ การเจริญสติแล้วก็พูดมานานหลายครัง้งหลายคนเราต้องเข้าใจเป้าหมายของการเจริญสติแล้วก็วิธีการอันนี้สําคัญนะเข้าใจเป้าหมายจุดมุ่งหมายของการเจริญสติว่าเพื่ออะไรทํำเราได้อะไรแล้วก็วิธีการต่างๆเราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอามาใช้กับชีวิตเราได้ เนเช่นมาจุดมุ่งหมายของการเจริญสตินั้นก็ไม่เจอเพื่อพินิหารอะไรหรอกเราเจริญสติก็เพื่อให้มีสติระหรือกลูลงไปที่กายที่ใจของเราในขณะปัจจุบันรู้ดูให้เห็นความจริงว่ากายใจของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราที่แท้จริง เพื่อว่าจะได้ถอนความเห็นผิดและความเข้าใจผิดว่ากายใจของเราเนี่ยมันสวยมันสุกมันเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็มันเป็นตัวเป็นตนของเราจริงจริงบังคับได้อะไรอย่างเงี้ยนี่สิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าวิปลาสธรรมคือความเห็นผิดจากความจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราจเจริญสติแต่ละครั้งอย่างเช่นว่าเรามา รู้กายที่มันกำลังเพื่อนไหวหรือรู้ลมหายใจที่มันกำลังหายใจเข้าหายใจออกหรือรู้อยู่ในอิเลียบทใดก็ตามของกายแล้วรู้ไปเรื่อยเราจะสังเกตเห็นว่ากายเนี่ยมันไม่เที่ยงบางทีมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากกายคนที่มีสติเฝ้าดูกายอยู่หนึ่งเนือ ง, น, องนี่ยสิ่งที่เห็นข้างแม่คือความทุกข์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 จะเป็นอาการที่เป็นทุกข์ทางกายจะเป็นความคิดหรือความง่วงหรือความเบื่อหน่ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ในภาษาวัดๆเขาเรียกว่าสภาวะธรรมนี่แหละคือสภาวะธรรมบาทีเราสงสัยสภาวะธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกายจากจิตทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกอาการต่างๆเรารวมเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมบงอย่างเกิดมาแล้ว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 รู้เท่าทันในอาการต่างๆเมื่อรู้เมื่อดูน า, นานเนี่ยมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาเรียก <_ d ue> ภาวะผู้ดูเ <_ d ue> มื่อมีการดู <_ d ue> ก็ย่อมมีการเห็นนะวิปัสนาเนี่ยต้องดูแล้วเห็นแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยบางทีไม่เห็นดูกับเห็นที่ต่างกันนะบางทีดูซีดูซีบางคนดูแล้วยังไม่เห็นดูอะไรลงไปในน้ําดูน้ํา ไม่เห็นอะไรในน้ำแต่บางคนดูแล้วอ๋อในน้ำมีปลาการดูแล้วเห็นเนี่ยคือวิปัสนาเมื่อดูดานานๆดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะได้การหลุดพ้นทาง น, นจิตใจตำแหน่งที่ดีที่สุดของผู้ปฏิบัติคือการเป็นผู้ดูนี่แหละเหนือชั้นเหนือเมฆเหนือทุกไม่ต้องเข้าไปเป็นกับสิ่งที่เราดู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 ที่ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญอันนั้นไม่ใช่วิปั ส, สนาอันนั้นไม่ใช่การเจริญสติอันนั้นเป็นเพียงสมาธิที่เกิดภาพดิมิตที่จิตเขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงอาจจะเห็นจริงแต่เรื่องที่เห็นน่ะอาจจะไม่จริงเห็นธรรมคือเห็นกายเห็นกิจเราแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวกายเรากอนั่งเดียวกายเราก็อนอน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 อันนี้คือผู้เห็นมีโดตายิ่งธรรมคือเห็นตรงเนี้ยเห็นความจริงของกายของจิตที่เขาแสดงตัวออกมาเห็นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวแล้วก็ปลอดภัยพ้นภัยถ้าว่าเป็นภูมิคุ้มการชนจิตก็ได้หรือภูมิคุ้มกันชีวิตนั้นคือเห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นความเป็นธรรมดา